นะฟังกันมาการนะั่งการบอกความเท็จความจริงเน่เป็นชีวิตชีวาจริงๆน่โฟังจะมีชีวิตชีวาบ้างหรือเปล่าก็าไม่รู้เพราะว่ามันมีสูตรสูตรของคน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 ตัดเสื้อตัดผ้าก็มีสูตรตัดผมก็มีสูตรอ่านไพก็มีสูตรจึงใช้ได้ถ้าไม่มีสูตรมันใช้ไม่ได้ไม่สำเร็จไม่จบไม่สิ้นการปฏิบัติธรรมก็มีสูตรเดินลู้เรื่องชีวิตของเราเนะ่ย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 สุดของวินัยสองพันสองลอยเตื่อสมสูดพระธรรมพระสูตรพระวินัยพระธรรมมากสีส่มืนสองพันเรื่อง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 ประสบการณเอากายในกายเป็นประจำมันมีอันเดียวที่แรกต่อไปเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นประจำมันมีทั้งหลายคาว่าเวทนาเนี่ยตัจิตก็ไม่จิตประจำมอันเดียว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 มันมีอยู่แล้วแต่ต้องมีสมมติเป็นเปลือ ก, เ, เ, อกเช่นข้าวที่เราเอาไว้กินนี่ยต้องมีข้าวเปลือกจะเก็บข้าวสารไว้ไม่ได้มันฉุนพันต้องมีข้าวเปลือกเก็บเป็นพันเอาไว้แต่เราไม่ได้กินข้าวเปลือก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 ถึงจกปกแต่เอามาใส่ข้าวกินปอยให้หวานพเพ่งกระโถนลกินเข้ามาลงดังนั้นไม่ได้ต้องให้รู้จักสมมุติมันเป็นชื่อเฉยๆกระโถนแต่ไม่ได้ใส่อะไรเป็นไม่อยู่ถ้าเร า, เากระโถนมาใส่ข้าวกินจะเป็นเรื่องแปลกสมมติแบบนี้ใช่ไม่ได้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 ตัวจงตีอะไรก็จะให้บรรลุธรรมเพราะพระอาจารย์ช่วยตัวเองไม่ต้องช่วยตัวเองอออาจาย์แบบนี้ก็มีแต่ถ้าจะได้บรลุธรรมต้องให้เราช่วยมาชะทาเราถ้าจะไปฌานเราจะไปแทน เข้าฌานทีละเดือนทีละอาทิตย์สองอาทิตย์คนอื่นทำไมได้ทําได้เฉพาะอาจารย์เมื่อไปดูแล้วเห็นแล้มาเล่าให้ฟังเก็ดศรัทธานั่นไม่ใช่ถ้าทำที่ครูสอนนอะไรสอนให้ขาเพื่งคนอื่นสึ่งอื่นใช่ไม่ได้ไม่ใช่ปรมาจารย์ครูอสอนนอะไร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 จะลล lee, หลงร้อยปีหลังพ่อเทียนดีไหมะอะไรท <э ําก็ไม่พอใจกับงานกรรมฐานเนี่ยงานมักผลเนี่ยมันน่าจะทุ่มเทสักหน่อยมันสอนอะไรก็เอาปิดสารสนี่ประโยชน์นะปิดสาธรรม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 รองเพงลงน้องเขาอะไรบอกไม่่หนะ่ะหยุดหยุดย ด, ดูเขาเยอหน่อยด้วย <Okay. S 1> เอ้เขาชื่อว่าหม้ออะไร <All right. S 1> อ่าไม่ต้องออกเืียงอ <All right. S 1> ดูที <Okay. S 1> เขาตาบ่ททำไมมินยิ้มแย้มแสมใสแล้ว <Okay. S 1> าอาจา์ <All right. S 1> ที่เป็นหมอ้อทำไมหน้าบูดๆด <All right. S 1> ไม่อายเขาเลย <laughs>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 สอนใจของเราได้อดังเราเห็นพระวุทธรูปนำะม า, าบูดนำมาเบิ่งทําไมนั่งต่อหน้าพระผ้ของพรเจ้าเห็นธรรมเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับกิตกับใจของเราเปลี่ยนมันมันดีดีแนละ้ะเปลี่ยนหลงไปไม่หลงแนละ้วมีชีวิตชีวา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 ต่างกันมากนะไม่สัมผัสตูอย่างนึกซึ่งก็เรว่าอะไรว่าอืมพุทธศดีพุทธศดีขัทธะอันเลอเิศพุทธศดีเป็นมารดารของไก่นะพุทธศดีเป็นมารดาของไก่ <c oughs> อ่ะคิ ด, น, ดน่อยเ อ, อ้าคิดน่อยเถอะอ่ะพุทธดีเป็นบนรรดาของเวชสันดอนน่ะมันเป็นธรรมนะผัสสะอันเ ล, เลิ่ๆจึงมีเวชสันดอนในใจมามืนสัมผัสกับรุปธรรมยอมชาลดทั้งฟวงผัสสะอันเลิ่โอรสหมืนโอชาลอดโขรศ อย่างเราสวดธรรมะปะหังเรามาจานันนห่นะเดิมเหมือนมันดิมยอดโถชาแห่งโถโรดได้ยินไหมเราสวดธรรมธรรม ะ, ะหังมันเป็นสติแผดชะอันเลิ่อนลดพระธรรมสัพพรัสังธรรมรารสุขินาติลดพระธรรมยอมจันรดท่องผ่อง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 หลงพี่พอจะเป็นเจ้าของได้ไห ม, ไมเสียงสติใ <laughs> ช้ว่า <laughs> อย่างไรฮะตุ้ยฮะใช้ว่าไงหลัง <laughs> พีตุ้ยฮะ <laughs> บ้านของหนูไม่เคยได้ยินครับว่าไม่มีอะไร <laughs> ไม่มีอะไรเกิดมาไม่เคยได้ยินแต่มันขาดจาคือจะมีบุรุษมาเป็นเจ้าของ หลวงพี่พอจะเป็นเจ้าของได้ไหมปิกสูด้วนั้นปึ้งเมาชี้ตังเมยชขี้ตังมยขี้เชือเอบังก็มยด้วยการเสนอ